ฝรั่งคนหนึ่งเขาเล่าว่ามีช่วงหนึ่งที่ได้ไปพักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นนะกรุงโตเกียวเย็นวันหนึ่งเนี่ยค่ะที่นั่งรถไฟฟ้าจะกลับบ้านพอรถไฟฟ้านี่จอดที่สถานีหนึ่งก็พอประตูเปิดก็มีชายหนุ่มร่างใหญ่นะ เดินเข้ามาลวดพลายเข้ามาเลยนะด้วยการเมาไมยแล้วก็ส่งเสียงดังหดิงแม่ลูกอ่อนเห็นเข้าก็รู้สึกว่าทำถ้าจะไม่ดีก็ลุกขึ้นหนีชายหนุ่มคนนั้นก็ผลักผลักผู้หญิงคนนี้นะให้กระเด็นนะเกิดจะไปชนกับสามีภริยาคู่นหนึ่งนะชายชลา สองคนนั้นเนี่ยเห็นเข้าก็เลยลุกหนีคนเมา่นี่ก็เตะนะเตะหลังแต่ว่าไม่โดนแล้วก็ทำท่าจะอรารวาสนะกับผู้โดยสารนะในรถไฟฟ้าซึ่งนานๆนนจะเจอแบบนี้สักครั้งนะอันดุมอเมริกันคนนี้เนี่ยแกเห็นแกก็ไม่พอใจแล้วก็ คิดว่าต้องเข้าไปจัดการเพราะว่ากำลังจะไปรังแกทั้งผู้หญิงทั้งคนแก่แกก็ไปเรียนพอมีวิชาความรู้วิชาไอคิโดนะไอคิโดเป็นวิชาศิลปะป้องกันตัวถึงแม้ตัวแกจะเล็กกว่าคนเมาเนี่แต่คิดว่าเอาอยู่นะแต่ลว่างที่กำลังจะเดินเข้าไปจัดการกับคนเมาเนี่ยก็เหลือไปเห็น คนแก่คนหนึ่งอายุสักเจ็ดสิบได้นะเรียกคนเมาคนนั้นยิ้มให้แล้วก็กวักมือให้เข้ามาหามันก็เข้าไปนะเพอเข้าไป ใ, ใกล้เนี่ยชายแก่คนนั้นก็ถามว่าไปกินอะไรมาไปกินสาเกมาใช่ไหมสาเกนี่คือเหล้าอนะหนุ่มมันก็บอกใช่แล้วมันเรื่องอะไรแก ตวาดใส่แต่ว่าชัยแก่ก็นิ่งนะยิ้มให้แล้วก็บอกว่าฉันก็ชอบกินสาเกาเหมือนกันทุกเย็นเนี่ยฉันจะไปนั่งกินสาเกากับภรรยาอยู่ในสวนชื่นชมธรรมชาติมีความสุขมากผู้ท่านี้เนี่ยก็สังเกตว่าไอ้หนุ่มคนนั้นเนี่ยก็คลายคำปั้นลง ชายแกก็เลยถามว่าแล้วเมียแกเป็นยังไงพอพูดแค่นี้เนี่ยถามแค่นี้ไอ้หมอนั่นก็ร้องไห้เลยนะเมียผมตายแล้วมีผมตายแล้ ว, แ ล, วแล้วก็คร่ำครวญ น, นะผมไม่มีเมียไม่มีบ้านไม่มีอาชีพการงานมันน่าอับอายเหลือเกินแล้วก็เสื่นเลยนะ ผิดผิดจำเมื่อสักครูนะ่นยยังอาราวาดอยู่เลยตอนนี้สะอื้นแล้วชายแก่คนนั้นก็เลยบอกว่างั้นนั่งลงก่อนมาคุยกันก่อนแล้วก็พูดปลอบใจแล้วก็ให้ลองใ จ, าจาก็จะว่าที่แกมานี้คงเพราะว่าเมียเพิ่งตายนะแล้วก็เลยเศร้าโศกเสียใจก็เลยกินเหล้า พอเมาแล้วคุมตัวคุมอารมณ์ไม่อยู่ก็เลยอานเรวาว่าแต่พอชายแก่นี่พูดให้กําลังใจปลอบใจนี่หนุ่มคนนั้นก็ไปนั่งก็ไปซบตักเลยนะเอาหัวนี่ไปซบตักเลยเหมือนกับเป็นเด็กตัวเล็กๆ เ, เหมือนกับแมวที่เชื่องอันตรงข้ามกับเมื่อสักครู่เลยอันหนุ่มอเมริกันคนที่เห็นใน ก, การนี้ก็ ก็ฉุกคิดขึ้นมาเลยนะว่าตอนที่เจอคนเมาคนนี้เนี่ยนะแกคิดจะใช้กำลังเนี่ยจัดการเพราะว่าก่อกวนคนมากนะวิชาป้องกันตัวที่แกมีนี่พอที่จะเอาอยู่ได้แต่มาพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีวิธีมันมีวิชาที่ที่ดีกว่านั้นน ะ, นะก็คือการ ความรักความเข้าใจความอ่อนโยนความนุ่มนวลมันทำให้เขาได้เห็นต่อไปว่าเนี่ยคนที่ก้าวร้าวอารวาดเนี่ยดูดูแข็งกร้าวเนี่ยอันนี้เป็นเพราะข้างในเนี่ยเขาอ่อนแออาจจะเป็นเพราะว่าเขากำลังเศร้าโศกเสียใจนะหรือว่าเขากำลังรู้สึกแย่กับตัวเอง คนที่แข็งกร้าวก้าร้าเนี่ยมักจะเป็นอย่างนั้นนะชายแก่คนนี้เนี่ยแก่เข้าใจมนุษย์ดีนะว่าเบื้องหลังความแข็งกร้าวเนี่ยหรือข้างหลังความแข็งกล้าวมันคือความอ่อนแอซึ่งต้องการความรักความเข้าใจหรือว่าเพียงแค่เอาความอ่อนโยนไปสัมผัสเนี่ยมันก็หมดพิสส่งลงไปไม่ต้องใช้กำลังไม่ต้องใช้การตอกก่อนอย่างที่ ไอหนุ่มอเมริกันนั่นคิดนะบางครั้งเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยตระหนักว่าไอความอ่อนโยนนี่มันมีพลังนะความอ่อนโยนความนุ่มนวลโดยเฉพาะที่ออกมาจากความรักความเมตตาความเข้าใจมันไม่ใช่เป็นความอ่อนแอนะแต่เป็นความแข็งแกร่งนะที่มันสามารถที่จะกำราบ หรือว่าชนะใจความแข็งกร้าวได้นคนทั่วไปไม่คิดว่าถ้าแข็งมาเรากต้องแข็งไปนแรงมาก็แรงไปแต่ไม่ตระหนักว่าไอ้ความแข็งกร้าวนี่มันแพ้ ม, แพมันแพ้ทางมันแพ้ทางสิ่งที่เราเรียกว่าความอ่อนโยนความรักความเมตตาอันที่จริงเนี่ยเวลาเจอคนเี่อวยวายเนี่ย ไม่ต้องทำอะไรมากก็ได้นะเพียงแต่นิ่งโดยพอเวลาที่มาเอะโวยวายนะใส่เรามีครูคนหนึ่งเนี่ยนะเป็นครูโรงเรียนมัธยมเห็นเด็กคนหนึ่งเนี่ยไม่มาเรียนเลยนะขาดเรียนไประจำก็เลยไปเรียกมาให้มาหาครูนะที่ที่ห้องพักครู พอมาถึงครูก็ถามว่าเนี่ยเธอหายไปไหนเนี่ยถามแค่นี้แหละนักเรียนคนนั้นก็เอะอะโวยวายเลยส่งเสียงตะโกนลั่นปัดหนังสือปัดเก้าอี้แล้วแล้วก็ทำท่าที่จะพูดจาข่มขู่ครูครูผู้หญิงนะก็ตกใจนะทีแรกตกใจสักพักก็ตั้งสติได้ปกติครูที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ก็อาจจะ วยวายใสหรือไม่ก็ไปเรียกรอปอมาจัดการเพราะว่าวัยรุ่นคนนั้นนี่ถ้าทางจะน่ากลัวแต่ครูคนนี้ตั้งสติได้แล้วก็นิ่งแล้วก็รอให้นักเรียนคนนี้สงบลงพอครูนิ่งสักพักนักเรียนซึ่งเอะวอยวายอาวาดก็เริ่มสงบแต่ก็ยัง บนยังโวยวายอยู่นะครูก็รอต่อไปรอจนกว่าเขาพร้อมที่จะมาคุยกับครูสักพักนะเขาก็ เ, เลือกโวยวายแล้วครูก็สังเกตนะตอนที่เขาโวยวายเนี่ยนะเขาก็โวยวายด่าคนโน้นว่าคนนี้เขารู้สึกว่าเขาเหมือนกับเป็นผู้ที่ถูกกระทําถูกกานแกล้ง พ่อก็ไม่ดีแม่ก็ไม่ดีอะไรต่ออะไรก็แย่นะในน้ำเสียงมันมีความน้อยเนื้อต่ำใจมันมีความโกรธมันมีความสิ้นหวังครูก็รอพ่อก็มาคุยกับครูแล้วนะอะไรที่เขาบน่ค น, นคนโน้นคนนี้เขาก็เริ่มพูดถึงตัวเองนะว่าเขาก็แย่เหมือนกันเขาก็ไม่ดีนะไม่เอาใจใส่ เขาอ่อนแอตอนนี้ครูก็เลยนะให้การปรึกษาเขาพูดให้กำลังใจเขาเขาบอกว่าเนี่ยเขาไม่ไม่มีใครไม่เคยมีใครฟังเขามานานแล้วนะพ่อแม่ก็ไม่ฟังไม่มีเวลาด้วยเอาแต่ดุดา่าครูก็ไม่มีคนไหนฟังเลยครูคนนี้เป็นคนแรกที่ตั้งใจฟัง เขาก็เลยเล่าว่าเขามีความทุกข์ใจอย่างไรบ้างก็คล้ายๆกับหนุ่มขี้เมาคนนั้นนะเอะอะวยวายอารวาสก้าวร้าวนะแต่ว่าพออีกฝ่ายหนึ่งเขาใช้ความสงบนะมันก็สามารถจัดสยบไอ้ความาก้าวร้าวได้ ถ้าเรามาพิจารณาดูให้ดีเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคดทั้งนั้นนะที่เราสามารถที่จะสงบได้ด้วยความนิ่งสงบหรือว่าใช้ความรักความเมตตาจริงๆแล้วเนี่ยอารมณ์ที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราเนี่ยบ่อยครั้งมันก็ก่อกวนอารวาสเรา ไม่ต่างจากความโกโรธไม่ต่างจากาหนุ่มขี้เมานะหรือว่านักเรียนวัยรุ่นคนนั้นเวลามีอารมณ์บางอย่างเกิดขึ้นเนี่ยที่มันสร้างความปั่นป่วนในจิตใจของเรา เ, เราจะรู้สึกไม่ชอบและเราคิดอยากจะจัดการกับอารมณ์นั้นเช่นกดข่มมันนะ พยายามผลักสมันแต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันมีวิธีที่ดีกว่านั้นนะการใช้ความนุ่มนวล น, นะรับมือกับอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันได้ผลดีกว่านะการปฏิบัติทำการเจริญสติเนี่ยนะมันคือการฝึกให้เราเนี่ยนะรู้จักนิ่มนวลนะกับอารมณ์ ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอารมณ์ที่มันเป็นผู้ร้ายโกรธเครียดหงุดหงิดนะอิจฉานะอารมณ์พวกที่มันเกิดขึ้นทีไรมันสร้างความทุกข์สร้างความบีบคั้นในจิตใจแล้วเราก็จะรู้สึกทนไม่ไหวแล้วก็อยากจะจัดการกับมันนะกดข่มมันนะแต่ที่จริงแล้วเนี่ย ความนุ่มนวลสามารถจะช่วยได้การเจริญสติก็คือการฝึกนะให้เรารู้จักอ่อนโยนนะกับจิตใจของตัวนะหลายคนไปใช้วิธีบังคับจิตนะจิตมันฟุ้งซ่านมากนะฟุ้งซ่านจนว้าวุ่นก็เลยต้องจัดการกับมันบังคับมันนะวิธีนี้ไม่ได้ผลนะเหมือนกับคนที่ก้าวร้าว โวยวายถ้าเราไปใช้กำลังกับเขาเขาก็ต่อสู้แต่ถ้าว่าเราลองใช้ความนุ่ม น, นวลความอ่อนโย น, นกับอารมณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็สามารถสยบได้ท่านตินทันนะท่านเป็นพระชาวเวียดนามซึ่งได้รับความเคารพนับถือมากนะคนไทยนี่มีสานุสิ์หรืออ่านงานของท่านตินฑันนี่เยอะมาก ท่านบอกว่าเนี่ยเวลามีความโกรธเกิดขึ้นเนี่ยนะหรืออารมณ์ใดก็ตามเนี่ยให้โอบกอดนะโอบกอดอารมณ์เหล่านั้นอย่าผลักสายโอบกอดด้วยสติด้วยความตระหนักรู้นะอันนี้เป็นสำนวนนะนะักเรียนอาจจะสงสัยว่าโอบกอดด้วยสติทำอย่างไรนะ ถ้าพูดอย่างง่ายๆคือว่าให้รับรู้เฉยๆด้วยด้วยสตินะหรือทําแบบที่ครูคนนั้นทํากับนักเรียนที่กาลังโวยวายก็ได้คือนิ่งๆไม่ไม่ต้องไปต่อเล้ะต่อเถียงไม่ต้องไปต่อก่อนเขานะแค่นิ่งๆแล้วก็รอเวลาที่เขาจะสงบลงหลวงพ่อเทียนหลวงพ่ออมเขียนท่านสอนว่าให้รู้ซื่อ รู้ซื่ อ, อคือรู้เฉยๆนะอารมณ์ใดเกิดขึ้นก็รู้เฉยๆแม้จะเป็นอารมณ์ที่เป็นอกุศลที่สร้างความปั่นป่วนรุ่มร้อนในใจิตใจหรือที่เราเป็นอารมณ์ตัวได้ล้ายนะอารมณ์เกเรนะก็แค่ดูมาเฉยๆไม่ไต้องนะ ไ, ไปตอกกอนนะไม่ต้องไปตอกกอนอะไรกับ อารมณ์เหล่านั้นเห็นมันอย่างที่มันเป็นเพราะถ้าเข้าไปตอก่อนเมื่อไหร่ก็จะเสร็จมันหรือไม่ก็จะเกิดการพูวพันนะไม่เลิกนะยิ่งไปไปตอก่อนไปลุยนะไปกดข่มไปจัดการด้วยความรุนแรงนะมันก็ยิ่งยืดเยื้อะนะ เหมือนกับว่าไปเติมเชื้อเติมฟืนให้กับกองไฟที่กำลังลุกพโพลงอยู่แทนที่มันจะค่อยๆดับก็มันก็ลุกไม่ไม่เลิกไม่เลิกสักทีแค่ดูมันเฉยๆนะนะดูมันนะหลวงพ่อเขียนะใช่ว่าเห็นอยากเข้าไปเป็นเห็นเห็นความโกรธจะโจรเข้าไปเป็นผู้โกรธ เห็นความเครียดแต่ว่าอย่าไปเป็นผู้เครียดการเจริญสติเนี่ยมันคือการปฏิบัติโดยใช้วิธีที่อ่อนโยนนะอ่อนโยนกับจิตใจของตัวเองแม้ว่าจิตใจของเราบางทีมันจะปวนมากเหลือเกินแต่ว่าเราก็ใช้ความนิ่งหลายคนเนี่ยไม่คุ้นกับการใช้ความนิ่งความสงบนะเพราะว่านิยมใช้วิธีเข้าไปจัดการกับมัน เห็นอะไรไม่ดีเห็นอะไรไม่ชอบก็เข้าไปจัดการใครพูดไม่ดีก็เข้าไปจัดการเขาด่าเรามาก็ด่ากลับเนะขาแก้งเราก็เราก็จัดการนะใช้ความรุนแรงบ้างนะเราใช้วิธีการแบบนี้มาโดยตลอดหรือว่าคิดถึงแต่แค่วิธีการเหล่านี้แต่ไม่ได้นึกว่าเพียงแค่การนิ่งการสงบ หรือว่าทํากว่านั่นคือการใช้ความเมตตาเนี่ยมันสามารถจะจัดการกับตัวป่วนตัวเกเรได้ไม่ว่าอยู่ข้างในใจเราหรือว่าอยู่นอกตัวเรานะคนที่พยายามจะไปบังคับจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านพยายามจัดการกับมันไม่ให้ปั่นป่วนจัดการกับอารมณ์นะ โกโรธเศร้านะด้วยการพยายามกดข่มมันเอาไว้นะจะพบว่าในที่สุดเนี่ยก็จะเครียดยิ่งขึ้นนะก็จะหงุดหงิดมากขึ้นนะมีภาพรูปหนึ่งเนี่ยท่านตั้งใจปฏิบัติมากนะหลวงพ่ อ, เ, อเขียนเล่านะทั้งๆตั้งใจปฏิบัติเดินผ่านไปก็เห็นท่านเดินจงกรมเดินกลับมาอีกทีก็ยังเดินจงกรมอยู่ แต่ว่าหน้าดาค่ําเคร่งมากหน้าดําค่ําเครียดพอเดินผ่านทีปรากฏว่าไม่ได้เดินจงกรมแล้วนั่งแล้วก็เอารองเท้าแตะฟาดหัวตัวเองแล้วก็บ่นว่าทําไมมันคิดมากแล้วเกินทำไมมันคิดมากแล้วเกิ น, ม, ม, น, ม, กกนมันไม่หยุดสักทีนีอันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าท่านพยายามที่จะไปบังคับควบคุมความคิดไม่ให้ไม่ให้มันคิดฟุง้งซ่าน แล้วก็บังคับอย่างไรมันก็ไม่ยอมอยู่ใต้อำนาจนะความคิดเนี่ยหรือจิตใจเนี่ยพอมันไม่ยอมนะก็ยิ่งโกรธยิ่งโมโหพยายามจะเอาชนะมันให้ได้นะพยายามกดข่มหนักเข้าไปใหญ่แต่มันก็สู้มันก็ต้านแล้วมันก็ยิ่งปวดมากขึ้นสุดท้ายด้วยความโกรธจนลืมตัวนะก็เลยเอารองเท้าฟาดหัวตัวเอง ที่แรกมาเจริญสติเพื่อสร้างความรู้สึกตัวแต่เพราะความอยากจะให้รู้สึกตัวดีๆตลอดต่อเ น, นือนั่นแหละที่ทำให้ลงเอ่ยด้วยการที่ลืมตัวนะทำร้ายตัวเองให้ความอยากที่จะความอยากที่จะให้จิตมันสงบให้มันนิ่งเนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะมีข้อเสียสาหรับนักปฏิบัติธรรม เพราะว่าอะไรที่อยากพอไม่เป็นไปตามที่อยากตามที่ใจหวังก็จะไม่พอใจและพอความไม่พอใจสะสมมากขึ้นมันก็ลืมตัวถ้าเรารู้จักวางใจนะให้ให้เป็นให้สงบหรือถ้าสงบไม่ได้ก็นิ่งต่อไออาการต่างๆที่เกิดขึ้นในใจเพียงแค่ดูมันเฉยๆถ้ามันฟุ้งซ่านก็ดูมันไป ใหม่ๆก็ยังดูไม่ได้นะเขาคิกจะเข้าไปจัดการมันเพราะว่าถูกฝึกมามีนิสัยแบบนี้เห็นอะไรไม่ชอบก็เนะข้าไปผักไสอะไรที่ชอบก็เข้าไปยึดครองนะพอดีใจก็แทนที่จะเห็นความดีใจก็ไปเป็นผู้ดีใจซะเลยคลนะอเคลียกับมันอะไรที่ไม่ชอบก็เข้าไปใช้กําลังจัดการผักไสมันไป มันก็ยิ่งทําให้เป็นทุกข์มากขึ้นอในช่วงที่เราปฏิบัติเนี่ยนะยิ่งถ้าเราปฏิบัติทั้งวันเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ที่ไม่น่ารักอารมณ์ที่เป็นตัวเกเรเเยะเวียนเข้ามาเราไม่ต้องทําอะไรนะก็แค่ดูมันเฉยๆหรือว่าบริกรรมด้วยคําว่าชั่งมันก็ได้ชั่งมันชั่งมันมันจะฟุ้งซ่านก็ชั่งมันน ๋ยวเข้าไปต่อกกรนอะไรกับมันนะหรือว่าจะใช้วิธีการแบบท่านติดณัทันคือใช้ความรักนะให้มีความเมตตาสงสารอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับใจของตัวหรือเวลาใจามันปั่นปวดมากๆก็ให้มีเมตตากรุณานะกับจิตใจเหล่านั้นก็คือเมตตาตัวนั่นแหละนะเมตตาตัวเอง อันนี้ก็เป็นสันติวิธีแบบหนึ่งนะสันติวิธีนี้ไม่ได้ใช้กับผู้คนแวดล้อมที่มาเกี่ยวข้องกับเราไม่ว่าจะเป็นเพื่อร่วมงานนะหรือว่าคนที่ไกลออกไปสันติวิธีนี้ยังใช้กับจิตใจหรืออารมณ์ต่างๆที่เกิดข้างในด้วยนะพิจารณิมัยศาบสุนการใช้ความรุนแรงนะ เพื่อนกับคนกับสิ่งของกับสัตว์นะศาสนาพุทธที่เป็นศาสนาการไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช่เฉพาะกับสิ่งภายนอกเท่านั้นแม้กระทั่งกับสิ่งภายในเนี่ยเพราะว่าถ้ารุนแรงแรงมามันก็แรงไปยิ่งกดข่มก็ยิ่งมีแรงต้านมันมีอารมณ์หรือความคิดที่เป็นตัวเกลเย่อยู่เยอะนะ ที่จะผ่านเข้ามาในจิตใจและบางครั้งเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะอยู่หรือมารังควานไม่ไม่เลิกสักทีมีหลายคนนะที่บอกว่าเวลาสวดมนต์เนี่ยมันจะมีเสียงข้างในดังออกมาระหว่างที่ปากสารเสรินพระตนาไตรข้างในใจก็มีเสียงด่าเสียงจ้วงจับพระตนะไตราบางคนก็ เป็นทุกข์มากเพราะว่ามันมีเสียงด่าพ่อแม่อยู่ตลอดเวลาเวลาเจอหน้าท่านคนแบบนี้มีเยอะนะคนที่มีอาการแบบนี้มักคิดว่าตัวเองเป็นคนเดียวแต่พราะไม่ยอมพูดไม่ยอมไม่กล้าเปิดเผยไม่กล้าเล่าเนี่ยก็เลยไม่รู้ว่าที่จริงแล้วเนี่ยมีเยอะมีคนมาปรึกษาตามามากนะแต่และคนก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเลวแย่มากเหลือเกินทําไมถึงมีความคิด เรอยๆแบบนี้อยู่ในหัวเราก็ทุกข์มากนะว่าทำไมคนดีอย่างเราถึงมีเสียงจ่วงจาบพระรตนตรหรือว่าหย า, าบคายกับพ่อแม่หรืออาจจะอ า, อาจจะกับครูทั้งที่ไม่ได้มีความคิดหรือความตั้งใจเลยแต่ว่าห้ามเสียงนั้นไม่อยู่นักคนเหล่านี้ก็จะมักจะใช้วิธีการไปกดข่มห้ามจิตไม่ให้คิด พยายามที่จะเล่นงานกับไอความคิดทุ้งซ่านแบบนี้ซึ่งไม่ได้ผลแล้วหนักขึ้นเรื่อยๆวิธีเดียวที่จะช่วยได้นะซึ่งก็แนะนำไปกับหลายให้กับหลายคนก็คือว่าอย่าไปสนใจมันไม่ต้องไปทำอะไรกับมันนะแค่นี้แหละเพียงแค่รู้ว่ามันมีอยู่แล้วก็มันจะมาก็มา ความนิ่งของเราเนี่ยที่มีต่อความคิดเหล่านั้นเนี่ยในที่สุดก็ทำให้มันค่อยๆหายไปค่อยๆจางหายไปจากจิตใจของเราอันนี้ก็เียเป็นสันติวิธีแบบหนึ่งนะเป็นการใช้ความสงบ จะถือว่าเขาเป็นอาคันตุกะก็ได้ที่มาเยี่ยมเยียนบ้านเราเป็นครั้งคราวคนที่เข้ามาในบ้านเราเนี่ยถ้าเรายิ่งไล่เนี่ยเขายิ่งตื้นนะแต่ถ้าเราบอกว่าเออจะมาอยู่ก็อยู่นะแล้วเราก็ไปทําอย่างอื่นแต่เราก็ไม่ได้รังเกียจเขาพอทําแบบนี้เข้าเนี่ยเขาก็ค่อยๆนะ เดินกลับไปเองหรือว่าเราจะลองทําใจเป็นมิตรกับอารมณ์หรือความคิดเหล่านี้ก็ได้นีมันก็มีคนที่น่ารักและไม่น่ารักแต่ถ้าเราลองเป็นมิตรกับเขาโดยเฉพาะคนที่ไม่น่ารักนะเขาก็จะกลายมาเป็นมิตรกับเราพอเราปฏิบัติกับเขาอย่างอย่างมิตรนะเขาก็กลายเป็นคนที่รู้จักเกรงใจเขา มาอยู่บ้านเราดูสักพักเขาก็รู้ว่าเอออยู่นานไปละได้เวลากลับละให้อารมณ์ต่างๆเนี่ยนะที่ไม่น่ารักเนี่ยที่น่าระอาหรือว่าสร้างความปันเปว น, นก่อกวนเนี่ยบางทีก็เป็นอย่างนั้นนะให้เราลองรู้จักใช้ความานุ่มนวลดูบ้างหรีออย่างน้อยๆก็ทําอย่างที่หลวงพ่อเทวหลวงพ่อคเขียนว่าคือรู้เฉย นะรู้เฉยๆแต่ไม่ใช่รู้แบบจ้องนะบางคนไปไปจ้องมันนะถ้าจ้องมันนี่ก็อาจจะโดนมันล่อหลอกนะหรือว่าถูกยั่วยวนยั่วยวุจนทนไม่ไหวต้องเข้าไปรมรันพันตัวนะก็แค่ปล่อยเข้าไปนะกลับมาอยู่กับกายนะกลับมารู้กาย กายทำอะไรก็รู้สึกนะระหว่างที่ยกมือเคลื่อนไหวก็รู้สึกว่ามือเคลื่อนไหวนะระหว่างที่เดินก็รู้ว่าตัวกาลังเดินนะมันมีความคิดอารมณ์ต่างๆพยายามล่อลอกยั่วยวนให้เราออกจากกายออกจากปัจจุบันนะใหม่ๆแล้วก็เผลอนะพอรู้ตัวก็เสียใจหงุดหนงะิดว่าทำไมเราเป็นอย่างนี้นะ อย่าไปเสียใจอย่าไปหงุดหงิดอย่าไปโมโหตัวเองนะเริ่มใหม่ทําใหม่เรื่อยๆนะพยายามอ่อนโยนกับตัวเองนะอย่าไปอย่าไปปล่อยให้โทสะหรือว่าความเครียดความโกรธมันกระทากับตัวเองอย่าไปเกลียดตัวเองอย่าไปโมโหตัวเองนะ หลายคนเวลาปฏิบัติก็ทำหน้าดำเคร่งเครียดก่อนปฏิบัติก็ลองยิ้มให้กับตัวเองสักหน่อยนะยิ้มน้อยๆนะผิดพลาดอะไรก็ให้อภัยนะให้อภัยตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่ถ้าเราทำแบบนี้นะเราก็จะก่อนิสัยใหม่ท่าทีใหม่ขึ้นในใจก็คือท่าทีที่อ่อนโยนนุ่มนวลและพอมาใช้กับอารมณ์ที่มันเกิดขึ้น อารมณ์ตัวป่วนเหล่านี้เนี่ยนะมันก็จะอารมวาดรลังควาเราน้อยลงนะไม่ต้องไปต่อกกอนไม่ต้องไปรุนแรงกับอารมณ์เหล่านั้นแต่ก็ไม่ใช่ไปยอมโอนอ่อนคล้อยตามนะไม่ใช่การโอนอ่อนคล้อยตามอารมณ์เหล่านั้นเช่นความโกรธนะมันสั่งให้ด่าก็ด่ามันสั่งให้ทําร้ายคนก็ทําร้ายนั้นไม่ใช่เรียกโอนอ่อน แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้เป็นปฏิปักษ์ต่อสู้หรือว่าใช้ความรุนแรงกระทำนะกับอารมณ์เหล่านั้นมันมีทางสายกลางอยู่นะไม่โอนอ่อนคล้อยตามแต่ก็ไม่รุนแรงใส่นะไอ้ตรงกลางนี่แหละมันยากเสมอแต่ถ้าทำได้จะมีอนิสงส์มากนะนเพราะฉนั้นประคองใจนะให้ ให้ให้อ่อนโยนกับตัวเองให้อ่อนโยนกับอารมณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นนะอะไรเกิดขึ้นก็เออก็รู้เฉยๆนะพอถ้าเราไม่รู้เฉยๆนะมันจะเข้าไปเป็นโดยไม่รู้ตัวเอาละชาตินี่พกับเท่านี้ออกรับพะ